บอกว่าชุตินทรศเนี่ยนะแปลว่าผู้รุ่งโรหรือผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งโรดผู้ทรงไว้ซึ่งความเล่นสร้างออกแห่งรัศมีของพระสรีระอันมีสิริเกินกว่าดวงอาทิตย์ในสาระทกาลในฤดูศาสเนี่ยนะฤดูศาฤดูไห น, นตอนเนี้แค่ว่าฤดูศาสธรกาลเนี่ยนะหน้านี้หน้าศาส ว่าเรียกว่าสิ้นวันศาสตร์รู้สึกจะสิ้นวันนี้ด้วยนะวันนี้วันสิ้นศาสตร์แล้วสิ้นวันศาสตร์วันนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ใหญ่ของกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มก็ว่าถือว่าวันเพนเนี่ยเป็นวันศาสตร์ใหญ่เนี่ยนะเมื่อเพนวันพระก่อนนู้นบางกลุ่มถือว่าวันนี้เป็นวันศาสตร์ใหญ่ก็มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันเพรันฤดูกาลเนี่ยถือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสองรัศมีแผดกล้ามากนะ ก็ไม่กล้าู้หน้าดวงอาทิตย์ก็แล้วกันนะแต่ว่ารวมๆมานะว่าแม้แต่ดวงอาทิตย์เหล่านั้นเนี่ยนะที่มีรัศมีศาสองแสงเจิดจ้าขนาดใดรัศมีหรือหลังสีแห่งดวงอาทิตย์เหล่านั้นไม่สามารถจะกลบเกือนรัศมีอ่ารัศมีของพระพุทธเจ้าได้นะนะพระองค์เนี่ยมีรัศมีที่งดงามอลังการยิ่งใหญ่กว่า รัศมีของดวงอาทิตย์ว่า ง, งันเถอะยิ่งใหญ่กว่าอย่างนั้นโดยสรีระร่างกายเพราะว่าอนุภาพของพรหมเนี่ยนอนุภาพของเทวดาบางพวกพรหมบางพวกนี้ก็กลบรัศมีดวงอาทิตย์ได้แล้วพระองค์เนี่ยนะกลบรัศมีดวงอาทิตย์กลบรัศมีเทวดาและพรหมได้ทั้งหมดอันนี้เรียกว่าชุตินทราศาผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งโรจน์ผู้รุ่งโรจน์จริงๆนะแม้กระทั่งด้านสรีระร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าในบรรดารูปที่เกิดจากบุญที่วิจิต ไม่มีรูปใดที่จะวิจิตงดงามเท่ากับพระพุทธรูปพระสรีระรูปของพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะมันงดงามที่สุดเขาบอกว่ารูปใดที่คนดูแล้วไม่เบื่อดูได้นานแล้วคนเที่ยวสแสวงหาดูดูไม่รู้จักเต็มจักอิ่มจักพอก็คือรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดูแล้วไม่รู้จักเต็มจักอิ่มไม่รู้จักพอดูยิ่งดูเท่าไหร่ยิ่งเลื่อมใสเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสรีระที่เกิดจากบุญ เพราะฉะนั้นถ้าระลึกถึงบุญของพระพุทธเจ้าด้วยก็จะมีความสุขในการดูพระศรีระรูปของพระพุทธเจ้ามันพวกสองพระก็เลยสองได้ทั้งวันนะจะสองด้วยอะไรก็ช่างเถิแต่ว่าสรุปว่าถ้าถามว่ารูปอื่นๆมีใครไปสองอะไรขนาดนั้นไหมไม่มีเนี่ยพระพุทธรูปเขาทาได้ขนาดนั้นมันถ้าองค์จริงเนี่ยเขาบอกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะถ้ามีมีพระพุทธเจ้านั่งประทับนั่งเนี่ยเทวดามามีใครสนใจหรอก จะดูแต่พระพุทธเจ้าไม่สนใจเทวดามหากษระสับที่ไหนมาก็ช่างเถอะท่านจะยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ช่างเถอะจะดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะเป็นเครือว่าไม่มีอะไรจะงดงามขนาดนี้แล้วเนี่ยนะว่เสียดายเกิดไม่ทันทําบุญมาน้อยจะไปบ่นอะไรเนี่ยนะรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็แล้วกันอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่หนึ่งก็คือชุดินทรศะผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งโรจน์ หมายถึงเน้นพระสรีระในที่สองบอกว่าหรือจะกล่าวว่าผู้ทรงความรุ่งโรดด้วยปัญญาก็ได้ปัญญาที่รุ่งโรดที่สุดดังที่กล่าวไว้ว่าจัตตารโลเกปัชโตาปัญจะเมธานวิชติทิวาตปฏิอาทิโจรติมาพาติจันดิมาอะทะอัคคิทิวารัติงตัทธัตถะปภาสติสัมพุทโตตปตังเศโทเอสาอาภาอนุตรา แสงสว่างในโลกนี่มี4อย่างเนีย่ยนะไม่มีแสงที่ห้าขาพนแสงในแสงสว่างในโลกสี่อย่างมีอะไรบ้างหนึ่งดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันสองอย่างที่สองดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืนรวมทั้งดาวด้วยนะดวงจันทร์วเนะี้ยแสงไฟเนี่ยนะส่วนไฟส่องสว่างในที่นั้นทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนพระสัมพุทธเจ้าทรงประเสริฐสุดแห่งแสงสว่าง แสงสว่างของพระพุทธเจ้านี้ยอดเยี่ยมที่สุดคือแสงสว่างคือปัญญาเนี่ยนะเพราะปัญญาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพา ะ, ะเวสาลัชยานทศพลยานหรืออาสาธารนญานทั้งหลายปฏิสัมพิทายานเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาเนี่ยนะมันจะว่าปัญญาเหล่านั้นอะอะไรบ้างที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีเนี่ยนะ แต่ว่าผู้ส่งไว้ซึ่งปัญญาถ้าเกี่ยวกับปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไปศึกษาปัญญากถาปัญญากถาปฏิสัมพิธามักเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องปัญญาปัญญา73าปัญญาเนี่ยโอ้ยคนที่ไม่มีปัญญาอ่านแล้วเหงาเลยอะไม่รู้เขาว่าอะไรกันไม่รู้คนไม่มีปัญญาเนี่ยบอกว่าคนไม่มีปัญญาหนักใจที่สุดก็คือสนทนาว่าด้วยเรื่องปัญญาเขาว่ากันถ้าบอกว่าฟังเรื่องปัญญาเมื่อไหร่แล้วหนักใจนะให้รู้ว่าพื้นฐานจริงๆเป็นคนไม่มีปัญญา สรุปพระองค์เนี่ยนะชื่อว่าชูตินทรศักดผู้ทรงไว้ซึ่งความเล่นซ่านไปแห่งรัศมีทางพระสรีระและก็รัศมีแห่งปัญญาชูติตัวเนี้ยหมายถึงแสงสว่างเนี่ยนะที่แผ่ซ่านออกไปซ่านทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วมืดเนี่ยไม่มีเว้นไว้แต่พระองค์ประสงค์จ ะ, ะปกปิดรัศมีด้วยจีวรของพระองค์ ใช้จีโวเนี้อธิษฐานให้กลบพระสมีเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้คนรู้จักว่าเป็นเพียงภิกษุรูปหนึ่งเท่านั้นพระองค์ก็ทำได้แต่ว่าโดยรวมๆแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะแสงสว่างใดๆที่จะมากลบพระสมีของพระองค์ทางสรีระไม่มีแล้วทางปัญญาเนี่ยนะทางปัญญาเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรมาทำลายปัญญาได้โดยที่สุดบอกว่าถ้าพระองค์อยู่จนแก่แล้วก็ป่วยหามไปด้วยเตียงทาลายปัญญาพระองค์ได้ไหมเบลอได้ไหม โรคเบลอเลือนเป็นต้นได้ทาได้ไหมบอกไม่ได้เพราะเป็นผู้ที่มีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งรัศมีแห่งสรีระและปัญญา อ, อันติมะเทห์ทาริโนมาจากอันติมะเนี่ยนะก็คือสรีระสุดท้ายเนี่ยนะผู้ทรงไว้ซึ่งสรีระสุดท้ายอธิบายว่าพบใหม่ไม่มีปฏิสนธิในชาติใหม่ไม่มี น, นะเพราะคือพระองค์เนี่ยจะไม่ไปอยู่ในคันของผู้ใดทั้งนั้นโดยประการทั้งปวงไม่อุบัติปฏิสนธิณะพบเหล่าใดโดยประการทั้งปวงสรุปว่าพระองค์ทิ้งทุกเหล่านี้แล้วไม่ถือเอากองทุกขอันใหม่ขึ้นอันนี้เราอธิบายคำว่าพระองค์ผู้มีพระกรุณาในาสรรพสัตว์ผู้มีวิชาและจรณะผู้เป็นพระตถาคตเนี่ยนะตถาคตัถะเนี่ยนะคือ ผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้นะคือว่าผู้ที่มีกรุณานนะผู้ที่มีวิชาและมีกรุณาผู้คงที่ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งโรจน์พระองค์เนี่ยมีพระกายครั้งสุดท้ายหรือว่าทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเนี่ยนะบุคคลนั้นนะคือใครก็บอกคือพระตถาคตเจ้าใช้ไหมว่าพระตถาคตเจ้านะผู้ทรงคุณธรรมคือสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้คงที่ผู้มี มีแสงสว่างหรือมีรัสมีเนี่ยแผ่ซ่านออกไปทางร่างกายและปัญญาเนี่ยพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้ า, าผู้ตถาคตบางแห่งว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกพระนามหนึ่งเนี่ยพระองค์เรียกว่าตถาคตเนี่ยนะตะถาคตเนี่ยตรงนี้บอกว่ายกมาแปดประการ นตถาคตรพระเสด็จมาอย่างนั้นสองเสด็จไปอย่างนั้นสทร่งไว้ซึ่งลักษณะที่แท้ 4. ตรั ส, สรู้ธรรมที่เป็นจริง5เห็นแต่ความจริง6ตรัสแต่คําจริง7ธรดทจริ ง, รงสุดท้ายครอบงำผู้ครอบงำอธิบายแต่ละข้อโดยลําดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระตะถาคตเพราะเสด็จมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยถามว่าพระองค์เสด็จมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยมาอย่างไร มาจากไหนเป็นใครมาอย่างไงเนี่ยนะเรียกว่าภูมิหลังของพระพุทธเจ้านะซึ่งโดยทั่วๆไปคนก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครมาอย่างไรก่อนเนี่ยพระองค์คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถามีพระบิดาชื่อว่าพระเจ้าสุโทโธธนะมีพระมารดาชื่อว่าพระนางสิริมห า, มายาประสูที่ที่ไหนที่สวนลุมพินีวันนี่ยนะ มีพรยาเป็นใครอยู่ที่เมืองไหนเป็นใครอย่างไรแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าโดยมากเขาจะรู้กันแค่นั้นซึ่งถือว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าตามที่เป็นจริงไม่รู้จักพระพุทธเจ้าตามตามแท้ถามว่าต ร, สรัสรู้จักพระพุทธเจ้าตามจริงตามแท้เนี่ยตรัสรู้อย่างไรก็คือตรัสรู้ว่าพระองค์เนี่ยผู้เสด็จมาแล้วเช่นกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องบอกว่าพระองค์คือผู้เช่นกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายยกตัวอย่างว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย àn, มีพระวิปัสสีสัมพุทธเจ้านะพระวิปัสสี ha, สิกีเวสภูกกุสันทโกนะกรมนะพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์นะอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างเช่นวิปัสสีสิกีเวสภูกกุสันทโกนะกรมนากัสสะเนี่ยพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่บำเพ็ญทานบารมีพระพุทธเจ้าเหล่านั้นบำเพ็ญศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมี วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีพระองค์เหล่านั้นล้วนแต่บำเพ็ญบารมี10บบำเพ็ญบารมี30ทัศนคือบารมี10อุปปารมีสิบปรมาภบารมี10พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่สละมหาบริจาค5คือบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคทรัพย์บริจาคราชสมบัติบริจาคบุตรและภริยาเช่นกับพระเวสสันดร พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเสด็จมาแล้วด้วยอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าอภินิหารที่ประกอบไปด้วยองค์8ปดประชมอภินิหารที่ประกอบไปด้วยองค์8ปดคนคว้าพิจารณาหาบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมัตบารมีสิบและบำเพ็ญบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าฉันใดอย่างใดเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าแม้ของเราทั้งหลายก็เสด็จมาแล้วอย่างนั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ น, นะพระองค์ดำเนินปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเช่นกับพระพุทธเจ้าวิปัสสิสกีเวสภูกาโสันทะโกนาคมาณะกัสสะ ป, ปะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าตถาคตเนี่ยนะตะถาอาคาโตผู้เสด็จมาแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อน อย่างที่กล่าวเป็นคาถาว่ายะเทวะโลกัมหิวิปัสิอาธโยสัพพัญยุภาวังมุนโยอิทาคตาตะท่าอายังสักยะมุนิอมุนีปีอาคโตตะทาคโต ว, วุจติเตนะจักขุมามุนโยพระมุนีทั้งหลายวิปัสสิอาธโยมีพระพุทธเจ้าวิปัสีเป็นต้นเนี่ยนะเป็นต้นมีใครบ้างก็ วิปัสสีสิกิเวสภูกกูสันทโกนาขามนกัสปะพระพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นต้นเหล่านั้นเสด็จมาสู่พระสัพพัญยุตยานคือเสด็จมาบรรลุเป็นอนนะบามาบรรลุถึงภาวะแห่งความเป็นสัพพัญญูบุคคลผู้รอบรู้สัพพะสังขารและวิสังขารทุกชนิดอย่างใดเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมาอย่างไร มาด้วยบารมีเหล่าใดาจนได้ตรัสรู้สิ่งอย่างใดแม้พระสักยมุนีเนี่ยนะพระองค์นี้ก็เสด็จมาอย่างนั้นนะมาด้วยอะไรบ้างแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเรามาด้วยทานมาด้วยการบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะปัญญาวิริยขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบขาบารมีพระองค์เสด็จมาด้วยการบำเพ็ญบารมี30ทัศคือ บารมีอุปปารมีปรม า, ปารมัตถารมีมาด้วยมหาบริจักห้อย่างที่เราเรียนนะจริยาปิดกเนี่ยนะก็ยกถึงปุพหะจริยาคุณพระองค์มาด้วยปุพหะจริยาคุณมีอะไรบ้างก็เช่นพระองค์บำเพ็ญกรุณาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์บำเพ็ญสะสมบุญญาญาณนะสัมภาระสังสมอะไรสุจริตทั้ง3ประการสังสม พุทธภูมิ4ี่อธิฐานธรรม4สังฆะวัตถุสบัมเพนอินทรี่ห้บัมเพนอัธยาสายหบัมเพนปฏิญญาเจดบัมเพนมหาปริสวิตก8บัมเพนธรรมมีโยนิโสเป็นมูลเก้บัมเพนบารมี10บุญญะกิริยาวัตถุสิบบัมเพนบารมี30มสิบทัดบัมเพญมหาบริจาค5จริยา3เป็นต้นเหล่านั้นนะพระองค์จึงได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเสด็จมาเช่นเดียวกันกับ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเขาเรียกว่าอย่างคัมภีที่เราเรียนก็บอกอยู่แล้วคำพีพุทธวงศ์เขาเรียกว่าผู้เสด็จมาเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมางานแต่เขาเรียกว่าธรรมเนียมของพระพุทธเจ้ามาตามตระกูลของพระพุทธเจ้าอันนี้ข้อที่หนึ่งนะผู้เสด็จมาอย่างนั้นมาอย่างไงมาอย่างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะไม่ใช่รวบรัดตัดตอนมาหรือปฏิวัติได้มาเป็นต้นไม่ใช่ มาด้วยบุญจริงๆกันนะเป็นผู้ที่มาด้วยบุญสําเร็จด้วยบุญมาด้วยคุณงามความดีมามาด้วยบุญด้วยกุศลจริงๆกันนะอย่างที่สองถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปอย่างนั้นนะ่ะอย่างไรเมื่อกี้บอกว่าเสด็จมาใช่ตถาคตเนี่ยโดยศัพท์มันสามารถพลิกแปลงตามหลักไวยากอนได้ผู้มาอย่างนั้นก็ได้ผู้ไปอย่างนั้นก็ได้ตถาคตแปล ว, ว่าผู้ไปอย่างนั้นเนี่ยท่านไปไหน เริ่มไปตั้งแต่เมื่อไร่บอกว่าเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประสูนบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระวิปสัสสีสิกขีเวสภูกกูสันทากณนาคามนะกัสปะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะตอนที่พระองค์ประสูตนได้ชั่วประเดียวเดียวเนี่ยนะแป๊บเดียวเนี่ยคลอดเสร็จก็ประทับยืนที่แผ่นดินอันเสมอด้วยพระบาทคือหมายความว่าพอพระองค์ประสูนปั๊บเนี่ย พรหมจะรับก่อนเมื่อพรหมรับก่อนเทวดาจะรับเมื่อเทวดารับมนุษย์จะรับเมื่อมนุษย์รับปั๊บจึงจะวางมนที่พื้นแปลว่าเดี๋ยวๆเนี่ยนะก็ประทับยืนด้วยพระบาททั้งคู่สำรวจตรวจตราดูโลกธาตุทั้ง10เนี่ยนะดูทั้งทิศข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังข้างบนข้า ง, างล่างทิศเฉียงทั้ง10ทิศก็บอกว่าทุกแห่งเนี่ยนะมองเป็นเนินเดียวกันหมดแปลว่ามองเห็นเป็นเนินเดียวกันหมดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังซ่อนเร้นท่านตอนนั้นเพิ่งคลอดนะ แล้วพระองค์ก็หันหน้าไปทางทิศอุดรทิศอุดรเนี่ยแปลว่ามันทิศที่มันเหนือขึ้นไปยิ่งกว่านะมันเหนือขึ้นไปอ่ะแปลว่ามันสูงกว่าทิศอื่นๆเนี่ทิศใต้ส่วนใหญ่จะเป็นทิศต่ำนะไปใต้นี่เรียกว่าล่องใต้ถ้าไปเหนือยกวขึ้นเหนือเพราะั้นทิศเหนือเรียกว่าทิศที่มันสูงไปเพื่อพ้นพระองค์ก็เลยว่าผินพระพักไปทางทิศอุดรคือทิศเหนือเสด็จย่างพระบาทไปเจดเก้านะเสด็จย่างพระบาทถึงเก้าที่เจดแล้วพระองค์ชี้มือขึ้น ในโลกว่าแล้วก็เปล่งวาจาเขาเรียกว่าอาสพิวาจาว่าอโคโหมัสมิโลกัสเชธโเธเศโธก็บอกว่าอโคโหมัสมิเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเศโธหมัสมิเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเศโธหมัสมิเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก อายะมันตินติชาณิพุนพพวังันชาตินี้เป็นชาติที่สุดหรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปอ น, น, นก็ถือว่าการอยู่ในคันของท่านถือว่าเป็นครั้งเนี้ยสุดท้ายแล้วต่อไปจะไม่อยู่ในคันที่ไหนอีกแล้ว สรุปว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะตอนประสูติจะเป็นแบบนี้ทำเนียมของพระพุทธเจ้าทุกองค์ว่าถ้าประสูติต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทำเนียมของคนวงอื่นนะทีนี้ไอคนทั่วๆัวไปเนี่ยชอบเอาตัวเองไปเปรียบว่าเอ๊ะทาไมเหมืนคนอื่นก็ทําอย่างนี้กันบ้างบอกว่าคนที่ทําแบบนี้ก็มีแต่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยนะชาติสุดท้ายนะเฉพาะชาติสุดท้า ย, นะาายเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าตถาคดคิดว่าตอน ประสูตรเนี่ยนะจะเหมือนกันทุกพระองค์นะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตอนประสูตรเนี่ยจะมีปุพนิมิตรเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพระโ บ, บราณอาจารย์จึงกล่าวว่ามูหุตาชาตวะควัมปติยถ า, าสเมหิปาเดหิภูสีวสุนทรังเป็นต้นเนี่ยนะว่าโคจ่าฝูงเนี่ยนะาจะยกตัวอย่างว่าโคเนี่ยนะตัวโคทั้งหลายเนี่ยเกิดได้คู่เดียวก็สัมผัส พ, พื้นดินด้วยเท้าที่เสมอกันชันใด ใครเคยเห็นวัวคลอดโคคลอดกระบือคลอดนี่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคลอดแป๊บเดียวมันก็ยืนได้แล้วใครเรียกว่าขูดเล็บขูดอะไรออกเอาเมือกเอาอะไรออกนิดหน่อยมันก็ลุกขึ้นยืนได้แล้วฉันใดฉันใดพระโคโดมพระองค์นั้นก็ประสูติได้แป๊บเดียวก็สามารถย่างพระบาทเจ็ก้าและทวยเทพก็กั้นเสเวตฉชัดให้ฉันนั้นพระองค์เนี่ยดุจโคนะดุจโคว่างั้นพระโคโดมพระองค์นั้นเสด็จ ย่าง7จก้าแล้วก็เหลียวดูทิศเสมอกันโดยรอบก็เรียกว่าดูแล้วทุกอย่างมันจะเป็นเนินปรากฏชัดทั้งหมดแปลงอาสภิวาจาวาจาอันองค์อาจเป็นวาจาที่ประกอบด้วยองค์8เหมือนพญาราชสียืนหยัดเหนือ ย, ยอดขุนเขาแล้วก็คำรามเช่นั้นเนี่ยนะราชสีขึ้นสูงยอดเขาแล้วก็คำรามด้วยความองค์อาจสาพาเผยไม่คลั่นครามฉนาันใดพระองค์ก็พอดําเนินพุทธดําเนินได้79 เลียวดูรอบทิศ ท, ทั้งหมดว่าพราะองค์เป็นผู้เลิศพระองค์ก็แป่งอาสพิวาจาฉันนั้นนะว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเนี่ยนะในโลกนะทั้งสัพพสัพพสัตว์โลกไม่มีผู้ใดจะเลิศกว่าพราะองค์อีกแล้วบรรดาผู้ที่เกิดก่อนสัตว์โลกทั้งหมดที่จะตรัสรู้อริยสัจก่อนผู้อื่นทั้งหม ด, หมดพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นพี่เชิดโถเนี่ยเป็นพี่ชายพี่ชายคนใหญ่ที่สุดที่คลอดออกจากกระเปาะฟองไข่คืออวิชชา แล้วเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดด้วยคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ปัจเจกขณะยานเกิดได้นะบอกว่าจริงยังไม่ได้ปฏิบัติอริยมรรคอะไรหรอกแต่รู้เลยว่าปัจเจกขณะยาณเกิดแบบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยนะเพราะว่าคลอดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วบอกต่อไปไม่เอาอีกแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ผู้เสด็จไปอย่างนั้นที่จริงแล้วรายละเอียดเกี่ยวว่าตอนที่ประสูตรเนี่ยนะขณะประสูตรมีบุพนิมิตเรียกว่าปุปพนิมิต32อย่าง แสงสว่างในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้ได้เกิดขึ้นเลนะตลอดหมื่นโลกธาตุมันเป็นบทพระนิมิตประกาศว่าพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าในลักษณะใดมีคุณธรรมเช่นใดเป็นต้นเลยนะก็มีอธิบายค่อนข้างละเอียดหน่อยในอัจฉริยะอัภูต ธ, ธรรมสูตรแปลว่าสูตรที่น่าอัศจรรย์และก็ไม่เคยมีมาเกี่ยวกับเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่ดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดามาราธนาให้ ปฏิสนธิการปฏิสนธิในพระคันการดํารงอยู่ในครันการประสูติออกจากคันธรรมดาของพระพุทธมารดาเป็นต้นเนี่ยนะก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าค่อนข้างสูงใ น, นรายละเอียดที่มากนะถ้าใครที่ปรารถนาจะศึกษาความน่าอัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้เป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์ เป็นบุคคลที่ไม่มีใครเปรียบไม่มีผู้สเสมอเหมือนหาบุคคลเช่นพระองค์ได้ยากเนี่ยนะเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันคำว่าพระตถาคตพระองค์ชื่อว่าตถาเนี่ยนะตถาแปลว่าอย่างนั้นก็ได้ตถาเนี่ยแปลว่าอย่างนั้นว่าชื่อว่าพระตถาคตพระทรงถึงลักษณะที่แท้จริงอนะตถาอย่างนั้นนะจริงแท้นะความจริงแท้เนี่ยมันคืออะไรอะไรคือความจริงแท้ ย้อนกลับนิดหนึ่งนะว่าอย่างเสด็จมาอย่างนั้นเน้นอะไรเน้นพระปุพพจริยาคุณเสด็จไปอย่างนั้นก็เน้นพระสรีระคุณว่าพระองค์มีองค์ประกอบมีพระสรีระมีพฤติกรรมทางร่างกายเป็นอย่างไรส่วนอย่างที่สเนี่ยนะเสด็จถึงลักษณะที่ที่แท้อันนี้ก็ลักษณะถึงพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณที่แทงตลอดแทงตลอดอะไรสะกะสามัญญลักษณะสะกะแปลว่าลักษณะเฉพาะตน สามัญญาก็คือลักษณะที่สม่ำเสมออธิบายว่าพระองค์ชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาถึงบรรลุโดยไม่ผิดพลาดเพราะพระองค์ตรัสรู้ลักษณะเนี่ยนะตรัสรู้ตามลักษณะของตนลักษณะของตนเช่นปฐวีธาตุมีลักษณะอย่างไรอาโปธาติตโชธาตวาโยธาตลักษณะของธาตเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งสีแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสแห่งโพธะพระเหล่าใด นะลักษณะเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะทั้งลักษณะแห่งภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคัตาชีวิตินทร์สีมนดสิการคือลักษณะของสังคตะธรรมทั้งในส่วนรูปธรรมและส่วนของอรูปธรรมทั้งหลายและสิ่งเหล่านั้นนะนะลักษณะที่เป็นขันอายาตนะธาตุเป็นสัจจะเป็นอินทรีย์เป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วลักษณะเหล่านั้นน่ยมันเสมอกันในความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างไร นสิ้นไปอย่างไรเนี่ยนะเป็นทุกอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรสรุปย่อว่าสะกะลักษณะของตนกับลักษณะที่เสมอกันแปลว่าสะกะสามัญญะลักษณะของตนกับรั้อะไรลักษณะเฉพาะตัวของสัพพสังขารธรรมทั้งหลายและความเสมอกันในความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาแห่ง สภาพธรรมทั้งหลายพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยนะเช่นลักษณะเฉพาะตัวของขันแต่ละขันเป็นอย่างไรลักษณะที่เหมือนกันแห่งขันทุกขันเป็นอย่างไรอายตนะแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรมีลักษณะเสมอกันอย่างไร้าแต่ละธาตุมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรแล้วมันเสมอมันเหมือนกันอย่างไร อินทรีย์ทั้งหลายมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรและมันเหมือนกันอย่างไรในด้านไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะครับว่ารอบรู้สัพพะสังขารธรรมโดยประการทั้งปวงแต่จริงรวมทั้งอสังขตะธรรมท ำ, ทำเป็นที่ดับสังขารด้วยมันเชื่อว่าตถาคตเพราะยังรู้ลักษณะแห่งอันแท้จริงของทั้งรู ป, ปรธรรมและอรูปรธรรมด้วยญาณคติคติแปล ว, ว่าการเป็นไปญาณะก็เป็นไปหรือท่องเที่ยวด้วย ยานทั้งหลายด้วยยานทั้งหลายท่องเที่ยวในรู้ถึงลักษณะของตนและก็สามัญลักษณะเนี่ยนะที่คถากล่าวว่าสัพเพสังปณะธรร ม, มานางสกะสามัญญลักษณะนงังตตะทะเมวาคาโตยสมาตสมา ส, สัทธาตถาคโตเนี่ยนะเพราะเหตุที่เพราะเหตุที่อะไรสกะสามัญญลักษณะนงังทรงบรรลุถึงลักษณะของตนและลักษณะอันทั่วไปก็คือสกะสกะแล้วว่าเฉพาะตัว ของตนนะของตัวเฉพาะตัวของปัตวีอาปโปเตโชวายโยหรือของรูปธปรรมของอรูปธรรมทั้งหลายสามัญญะก็คือไตรลักษณ์สามัญญะลักษณะที่เสมอกันทั่วไปโดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาเนี่ยนะของธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขันธ์อายตนะธาตุอินทร์สีสัจจะปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นพระองค์ตรัสรู้แล้วยังรู้หมดทุกอย่างโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นภาษาสดาพระองค์นั้น ภาษาสดาเนี้แปลว่าอะไรผู้ที่พาข้ามสัตว์ให้ออกจากวัฏจักรทุกผู้ที่สอนประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะพระองค์นั้นนะ่ะชื่อว่าพระตถาคตเพราะอย่างรู้รู้จริงๆอะนะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้อะไรบ้างที่กล่าวว่าพระองค์ไม่รู้ไม่มีเลยชื่อว่าตถาคตเนี่ยนะเป็นมาตรฐานแห่งความรู้เนี่ยนะไม่มีอะไรจะจะมาตรฐานในเรื่องของความรู้เท่ากับความรู้ของ พระพุทธเจ้าอีกแล้วและเป็นความรู้ที่รู้บริสุทธิ์ไม่ฉาบด้วยตัณหามานะและทิฐิไม่ฉาบทานรูปไร้ด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแห่งความรู้โดยทั่วๆไปเนี่ยนะเว้นไว้แต่เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สามภาษาทั้งหลายเพื่อที่จะช่วยพาเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากวัฏทุกข์เท่านั้นเอง